พระอนุบัญญติห7 1อนึง่งภิกษุใดจงใจพระากายมนุษย์จากชีวิตหรือแสวงหาศาสตราอันจะพระากายมนุษย์นั้นกล่าวพนาคุณความตายหรือชักชวนเพื่อให้ตายว่าท่านผู้เจริญจะมีชีวิตอย่างลำบากยากเข็ญ น, นี้ไปทำไมท่านตายเสียดีกว่าดังนี้เธอมีจิตใจอย่างนี้มีดำริในใจอย่างนี้กล่าวพนาคุณความตาย หรือชักชวนเพื่อความตายโดยประการต่างๆแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาิไม่ได้เรื่องพระชะพพคีจบ